วันใหม่ปีใหม่เนาะเราก็ได้ถือว่าเป็นจังหวะของช่วงชีวิตเล็กๆน้อยๆอยที่เราได้เริ่มต้นวันใหม่ของปีกับการทำความดีให้กับตัวเองอย่างบางคนที่ยังไม่ได้ เคยศึกษาไม่ได้เคยมาได้ยินได้ฟังไม่เคยหัดปฏิบัติก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช่ไหมให้กับเราเป็นจุดเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีด้วยที่เราจะได้มีศักยภาพที่เราจะดูแลจิตใจดูแลโล่ในภายในของเรา เพราะฉะนั้นเริ่มเริ่มใหม่เริ่มวันใหม่เริ่มปีใหม่ก็ให้เริ่มที่จะศึกษาสนใจกับเกี่ยวกับโลกของจิตใจเพิ่มขึ้นคนเราจะมีชีวิตที่มันเต็มบริบูรณ์มีความสุขดีเนี่ยมันต้องเต็มทั้งข้างนอกด้วย เต็มทั้งภายในด้วยจะเติมเต็มแต่เฉพาะภายนอกอย่างเดียวเนี่ยก็บอกได้เลยว่ายังไงเราก็ต้องรู้สึกชีวิตมันยังบกพร่องไม่เต็มไม่อิ่มแน่นอนแต่ครั้งจะเอาแต่ชีวิตภายในอย่างเดียวมันก็จะไม่ได้เพราะว่ายังไงซะเราก็ต้องหาอยู่หากินใช่ไหม ต้องประกอบอาชีพต้องเกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งต่างๆมากมายผู้คนมากมายเพื่อที่จะหาปัจจัยหาเงินหามาเพื่อที่จะนำมาซึ่งปัจจัยสิ่ที่เราจะเอาไว้ดำรงชีวิตของเรา ก็อย <unlucky. S 2> ่างที่บอกไปถ้าเราเต็มเฉพาะข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยยังในความรู้สึกในใจเรามันก็จะฟ้องได้นะว่าชีวิตของเรามันเหนื่อยชีวิตของเรามันไม่เบาสบายปลอดโปร่งแพง้นก็ต้องมาเติมเต็มเติมเต็มในส่วนที่มันว่างที่มันยังบกพร่องก็คือเกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับโลกภายในของเรา อย่างตอนนี้เราก็ได้ลองมาสัมผัสแล้วละ่ะว่าโลกภายในการที่เราย้อนใจดึงใจกลับมาไว้กับตัวเองดึงใจกลับเข้ามาไว้ในภายในไม่วุ่นวายไปกับข้างนอกแบบเก่าๆมันก็มีสภาวะที่เรียกว่าความสงบเกิดขึ้นได้มันก็มีสภาวะที่เรียกว่าความสงบ ท, ที่เราได้ ลิ้มชิมรสชาติของมันแต่มันไม่ได้ลิ้มชิมรสด้วยด้วยลิ้นหรอกแต่มันก็ชิมด้วยใจใจมันมีหน้าที่เสพอารมณ์กินอารมณ์เอามันได้ลองกินอารมณ์ที่เรียกว่าความสงุกระครับเราก็ไม่ต้องถามกันนะเราก็จะรู้กันได้ว่ามันเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดียังไง แต่แน่นอนเลยว่าคนที่ทำงานคนที่อยู่ข้างนอกแล้วต้องเกี่ยวเนื่องวุ่นวายส่งใจออกไปวุ่นวายต่างๆกับผู้คนก็ดีกับสิ่งต่างๆก็ดีเนี่ยมันมันก็เป็นแบบที่ค่อนข้างต่างกันโดยสิ้นเชิงกับการที่เราได้มีความสงบพระงักจากเรื่องภายนอก มีอารมณ์ตั้งมั่นเป็นหนึ่งในงภายในเกิดขึ้นที่ใจมันก็เป็นสองแบบสองอย่างที่มันต่างกันชัดเจนพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ได้เทียบเคียงเปรียบเทียบความสงบเ้่อนวายเป็นแบบนี้ถึงมันจะมีความสุขบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังมีความเร่าร้อนไม่เย็นถึงแม้จะดูมีสีสันแต่มันก็ไม่เย็นสบาย แต่พอได้มาสงบพระงับมันอาจจะดูไม่มีสีสันแต่มันเย็นสบายที่ใจใจเราเบาใจเราไม่หนักแต่แน่แหละอันนี้มันเป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงโปรโมชั่นที่ไม่มีใครมากวนเราสภาวะแวดล้อมต่างๆหรือ คนที่มาอยู่รวมกันสังคมนี้ก็เป็นสังคมที่ไม่ได้ปีดเพียนกันแล้วก็พากันไปในทางทิศเดียวทิศทางเดียวกันก็คือไม่วุ่นวายพาไปในทิศทางเดียวกันก็คือมีใจมุ่งหน้าเพื่อที่จะทำความสงบให้เกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุที่ที่ดี ที่ถือว่าคอสส์นี้เราก็ได้สร้างเหตุดีๆสำหรับความง่ายในการที่เราจะมาทำความสงบใจแต่พอเรากลับไปใช้ชีวิตจริงในสนามจริงๆสนามรบจริงๆกับกิเลสแล้วเนี่ย mm hmm. เงื่อนไขต่างๆนั้นก็จะไม่ง่ายแบบนี้หล่ะแต่ก็ให้เอาทักษะที่เรามีที่เราได้ที่เราฝึกนี่แหละ เอาไปใช้มันก็จะอาจจะทำความสงบได้ยากขึ้นบ้างแต่มันก็จะไม่เหลือบาปกว่าแรงที่เราจะถ้าเรามีความตั้งใจจริงเราก็พยายามที่จะทำมันให้มันเกิดขึ้นอะไรโดยเฉพาะาถ้าเราหมองรวมว่ว่าหนึ่งวันเนียมันก็อาจจะสู้ยากนิดหนึ่ง แต่ถ้าเราแบ่งแยกย่อยลงไปเราจะสู้ช่วงไหนได้ยังไงบ้างแบ่งเป็นช่วงๆอย่างช่วงเช้าหลังจากตื่นนอนมานี่มันก็ต้องสู้แล้วละ่ะลืมตาตื่นมาก็สู้แล้วแต่เราแบ่งเวลาให้มันเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงไปเราจะได้แบ่งสู้แบ่งใจมาสู้ถูกช่วงนี้เราสู้ง่ายสู้สะดวกช่วงนี้เราสู้ยาก ในช่วงไหนที่สู้ง่ายสู้สะดวกอย่างเงี้ยมันก็ยังพอที่จะสร้างกําลังใจให้กับตัวเองได้แต่ถ้าเรามาเหมารวบยอดทีเดียวทั้งวันสู้สเปกสะปะมันก็หมดกําลังใจเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งช่วงที่เรายัางดํารงความสงบอย่างนี้ยังปฏิบัติรักษาใจได้ดีก็ต้องมีแน่นอน บางช่วงมันวุ่นวายมากมันอาจจะทำยากอันนั้นเราก็เขาเรียกว่าแปดไว้ก่อนเราก็จะค่อยๆที่จะเหมือนเหมือนการสู้รบกันเขาก็ขยายดินแดนลบชนะมือ น, นี้ยึดมือง น, นี้ไว้ก่อนตรงไหนเป็นจุดยึดภูมิสาคัญต้องรีบยึดให้ได้เอามาก็ ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อย่างอุณหภูมิที่พื้นที่ไหนที่เรายึดได้ง่ายก็คือช่วงหลังจากตื่นนอนที่ยังไม่ยุ่งกับใครแล้วก็ช่วงก่อนที่เราจะเข้านอนที่เราก็ไม่วุ่นวายอะไรกับใครอันนี้เราก็จะวิง่ายสู้สบายชนะได้ง่ายมากกว่าที่จะแพ้ถ้าเราไม่ได้ทำตัวเองซะก่อนนะ ไม่ได้แบบว่าจิตใจออกอ่อนแออ่าอย่างเช่นโอตอนนี้มีซีรีส์นี่กําลังติดเลยมีเวลาสักนิดหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนจะนอนขอจัดมาสักตอนดีกว่านะอันนี้กิเลสมันก็ดึงใจเราไปแล้วนะแต่ถ้าเราโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่แมวมีเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ขยะที่เราเก็บมาไว้ในจิตใจทั้งวันเลย เอาออกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องใช้เวลาเพราะนั้นชั่วโมงสองชั่วโมงที่เรามีอันนี้เราเอามาเดินจงกรมนั่งสมาธิดีกว่าไ อ, อ้ น, นี่ฝ่ายธรรมะมีกำลังมีกำลังใจก็พาให้เราคิดดีแบบนี้แต่พอช่วงไหนกิเลสที่มันมีอำนาจควบคุมจิตใจเราอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกเราก็ สบายดีนะแล้วก็ยังไม่ได้มีทุกอะไรมากซีรีส์ก็สนุกนะเลยเนี้ยโอ้ขอสักตอนดีกว่าหรือไม่เป็นซีรีส์เป็นมูฟวี่ดูจบในตอนเลยทีเดียวอไม่เป็นไรหรอกเอาเรื่องเดียวเองหรือไม่ก็อ่ามีเวลาสักนิดนึงก็งั้นขอไถ a ฟ e b o o k สักนิดนึง หรือไม่ก็อาไปดูเลื่อนๆดูในยูทูบซะหน่อยอย่างนี้ซึ่งพวกนี้มันก็กินเวลาไม่ใช่แบบสองสามนาทีหรอกส่วนมากพอได้เปิดแล้วนี่มันก็ลากยาวไปนะั่นแหละยิ่งเราอยู่แบบว่าคนเดียวด้วยแล้วเนี่ยดูๆไปมันก็ไปเรื่อยยังไม่มีอะไรที่มันถูกใจก็ยังไถไปเรื่อยไถายหาไปจนกว่าเรื่องที่มันจะ พอใจมันไม่มีแหละมันก็มีแต่เรื่องที่เราพยายามจะหาเสียเวลาไปกับการค้นหากิเลสมันก็ล่อลวงเราเพราะฉะนั้นเราก็หักใจซะโอ้ก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนี่เรามาทำประโยชน์ให้กับตัวเองดีกว่าเพราะฉะนั้นเรามาเจริญสติมาเดิ จ, จงกรมนั่งสมาธิฟังธรรม พอเสร็จคุ้อย่างนี้บ่อยๆทําได้สักเดือนสองเดือนนี้มันก็จะเริ่มเป็นความเคยชินใช่ไหมเหมือนคนลดน้ําหนักมันก็ต้องเปลี่ยนอาหารการกินใช่ไหมแล้วก็ต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันใช่ไหม่ลดอาหารการกินที่มันทําให้น้ําหนักเพิ่มลงบ้าง หาเวลาที่จะไปออกกําลังกายเพื่อที่เอาพลังงานส่วนเกินออกไปบ้างแต่แน่นอนแหละคนที่เพิ่งเริ่มใหม่กําลังใจมันยังไม่เข้มแข็งใช่ป่ะอาจจะฟิตอยู่สักพักหนึ่งทําได้สักอาทิตย์หนึ่งสองาทิตย์แล้วก็หมดแรงก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเก่าๆก็มีเยะๆนะคนที่ทําสําเร็จก็มีคนที่ล้มเหลวก็มีเยอะๆ ปฏิบัตธรรมก็เหมือนกันนะเราก็ฟิตมาฟิตได้กลับไปเดี๋ยวก็ต้องฟิตได้สักสองาวัน น, นี่ยแน่นอนแต่หลังจากสองสามวันไปแล้วนี่ก็ชีวิตมันต้องดูกันยาวๆเราจะดารงความตั้งใจดีของเราไม่ให้กิเลส ม, ม, ม, มันมาบั่นทอนกําลังใจความตั้งใจดีของเราเราจะทําได้ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้น การที่เราได้รับกําลังใจได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่ายากเย็นอะไรแต่การที่เราจะดารงความตั้งใจที่เราได้รับแรงบันดาลใจมาแล้วอันเนี้ยให้มันต่อเนื่องให้มันยั่งยืนต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเองอันนี้มันไม่ง่ายเพราะว่าเราจะพึ่งกําลังใจจากคนอื่นเขาไม่สามารถที่จะมาอยู่ คู่กับเราได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าคนนั้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวเราก็ตา่างเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลายิ่งเราศรัทธาในครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้เนี่ยท่านก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเราบางองค์ก็อยู่ไกลต่างจังหวัดบางองค์ก็คุยง่ายมันก็ต้องหาเวลาเรามีเวลาว่างก็ไม่มากจะมาเจอมาสัมสนทน า, ทน า, ทาบางทีก็ลําบาก เพราะนั้นการที่เราจะได้รับแรงบันดาลใจได้รับกําลังใจจากครูบาอาจารย์ก็อาจจะมัก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันมันก็ไม่ได้ทันทุ่มทีมันก็เลยทําให้อัตติหิอัตโนนาโถนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนเพราะฉะนั้นหัดที่จะหาอุบายสร้างกําลังใจให้กับตัวเองหัดที่จะหาอุบายที่จะ นำตนให้มีกำลังใจแล้วก็ออกจากทุกข์ให้ได้แก้ไขปัญหาจิตใจด้วยอุบายของตัวเองให้ได้อุบายของครูบาอาจารย์มันก็เป็นสมบัติของท่านนั่นแหละท่านทำได้ผลแล้วท่านก็มาบอกแต่มันยังไม่ใช่อุบายที่เราผลิตเองอ่ะถ้าเราผลิตอุบายเองได้มันก็เหมือนเรามีอาวุธที่มันอยู่ในมือเรา มันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็หยิบใช้ทันท่วงทีแต่ถ้าเรายังต้องคอยพึ่งอุบายจากครูบาอาจารย์มันก็ยังต้องเ็าเรียกว่าเป็นอาวุธที่ยังต้องยืมใช้ยังไม่ใช่อาวุธของเรายังไม่ใช่สมบัติติดตัวของเราในตอนที่เราจะยืมก็ยังไม่เจอทันหรือว่าตอนที่ยืมมาแล้วเราใช้ได้ยังไม่ถนัดทนีเท่าไหร่ มันก็เลยทำให้ยังไม่ได้ผลดีเทียบเท่ากับอาวุธของเราเราใช้ก็ถนัดชนานาญทั้งน้ำหนักทั้งความเขาเรียกอะไรเหลี่ยมคมของมันสั้นยาวยังไงเราเรารู้ธรรมชาติของมันเราก็จะใช้ได้คล่องตัวเพราะนั้นเป็นคนที่ผลิตอุบายให้กับตัวเองได้อันนี้เราก็จะพอที่จะพึ่งตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้น แต่การที่เราจะมีอุบายนำออกจากทุกได้เนี่ยอุบายมันจะดีเฉียบคมมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็มาจากใจที่ไม่ร้อนรอนไม่ขุนมัวไม่เศร้าหมองมันก็จะเป็นอุบายที่ดีมีประสิทธิภาพแต่ถ้าใจเรามันยังเศร้าหมองขุนมัวร้อนรอนอยู่เนี่ยอุบายที่คิดได้บางทีมันมันจะเป็นอุบายที่ดีก็ เป็นเป็นได้ยากส่วนมากเวลาที่ใจเราเ่อ้หมองขุ่นมัวร้อนรนเนี่ยความคิดความอ่านของเรามันก็จะเสียไปด้วยมองอะไรก็ไม่รอบด้านคิดอะไรก็ไม่ครอบข้อเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติคอยรักษาใจไม่ให้มันซ่อ้ามองไม่ให้มันขุ่นมัวเป็นเป็นพื้นเดิมเป็นต้นทุนเดิมของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรา ทำได้แล้วเราก็มีทุนเดิมตุนเอาไว้เยอะๆอย่างเนี้ยอันนี้มันก็พอที่จะอุ่นใจได้ว่าเราก็เวลาเราคิดอ่านล้วก็รอบข้อถีทวนอุบายที่ได้จากใจที่มันสงบระนับเป็นกำลังเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นอุบายที่มองอะไรก็ทะลุโปรโลงเห็นเหตุเห็นผลได้แจ่มแจ้ง หายเหตุหาผลมันก็ได้ดีเป็นอุบายมันก็จะเป็นอุบายที่มีประสิทธิภาพต่อการแก้ปัญหาทั้งขายนอกด้วยแล้วก็ภายในจิตใจด้วยซึ่งการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ต้องควบคู่กันไปคือเหมือนอย่างที่บอกเราต้องแยกปัญหาให้มันชัดเจนว่าอะไรเป็นปัญหาเกี่ยวกับข้างนอกอะไรเป็นปัญหาเกี่ยวกับจิตใจปัญหาข้างนอกก็แก้แบบข้างนอก ปัญหาภายในก็เกี่ยวกับภายในเราจะมาแบบว่าปัญหาภายนอกเราไม่แก้เราจะมาแก้ใจอย่างเดียวนะมันก็ไม่จบสักทีหนึ่งอ่ะเพราะปัญหาข้างนอกมันก็จะล้นพลักเข้ามาสู่จิตใจของเราถ้าเราไม่แก้ปัญหาข้างนอกเราบอกแล้วโอ้ปล่อยวางปล่อยวางมันต้องทำตลอดมันก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำแล้วก็ต้องให้มันจบปัญหาลงไปด้วย เหมันยกตัวอย่างที่ต่างนะเหมือนคนรถชนกันอ่ะปัญหาคือรถมันชนใช่ไหะปัญหาก็คือกีดขวางทางจราจรด้วยหนึ่งแล้วปัญหาทั้งอันนี้คือปัญหาภายนอกนะปัญหาว่ารถมันชนรถมันเสียอาใครถูกใครผิดก็ไปว่ากันตามข้างนอกไปแต่ปัญหาข้างในคืออะไรพอมันรถชนแล้วเนี่ย มันก็จะอารมณ์ไม่ดีแลหละมุดหิดขัดเคืองพอขัดเคืองขุ่นเคืองอันนี้เป็นปัญหาทางด้านจิตใจแต่ถ้าเราแก้ปัญหาที่แบบว่าไม่ได้แยกว่าข้างนอกหรือข้างในเนี่ยมันก็มัอนอย่างที่เราดูในโทรทัศน์ดูในคลิปต่างๆนั่นแหละพอนั่นปุ๊บก็ส่วนมากด่ากันบ้างหรือไม่ก็ขั้น ทำร้ายกันบางบางคนก็เอาปืนจี้บางคนก็เอาไม้อาวุธต่างๆมาทำร้ายทําลายกันแล้วทําไมเขาถึงเลือกวิธีแบบนั้นก็ด้วยความหวังว่าถ้าเราทําร้ายเขาทําร้ายคู่กรณีเรามันก็เป็นการลดทอนบรรเทาความขัดเคืองใจของเราลงไป อันนี้มันก็เป็นเล่ห์เหลี่ยมแบบกิเลสที่มันจะพาให้เราแก้ปัญหาแบบนั้นใช่ไหมมันอาจจะดูสะใจก็จริงใช่ไ่มสะใจที่ได้ต่อยมันสักทีหนึ่งฟาดมันสักครั้งหนึ่งหรือไม่ก็ไปทุบรถมันหสักหนึ่งมันได้สะใจหน่อยหนึ่งแต่สุดท้ายไอ้ความสะใจนั้นมันก็ย้อนกลับมาเป็นทุกข์เป็นโทษแหละผลจากความสะใจนะมันก็ย้อนกลับมาเป็นทุกข์เป็นโทษอีกเพราะอะไรทำร้ายเขา เขาอาจจะทำร้ายเรากลับก็ได้หรือเขาอาจจะไปแจ้งความเป็นคดีความกันอีกเรื่องมันก็วุ่นวายเข้าไปใหญ่มันก็จะเห็นว่าเวลาที่ใจเรามันร้อนร้อนขุ่นมัวโดนกิเลสมันครอบงำแล้วเนี่ยความคิดความอ่านมันก็จะเสียไปแต่ถ้าในกรณีที่แน่นอนแหละมีปัญหาความขัดเคืองใจความคล่องใจมันเกิดขึ้นแล้ว สติคือสัมมาสติที่เราได้บ่มเพาะทําให้มันเกิดขึ้นได้บ่อยๆมันก็จะเป็นตัวช่วยเราเกิดแทรกขึ้นมาได้พอแทรกขึ้นมาเนี่ยอย่างน้นอยๆเราได้ฉกคิดว่าไอ้ตอนนี้เราโกรธอยู่ตอนนี้เราขัดเคืองอยู่นะนี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับจิตใจนะไม่ใช่ปัญหาภายนอกเกี่ยวกับรถชนนะอันนี้เป็นปัญหาคือความขัดเคืองของเราเอง แล้วอะไรที่ถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเหมือนกับกรณีที่ว่าระบายความขัดข้องขัดใจโดยการทำร้ายทำลายเขาเนี่ยโอ้มันมีแต่เรื่องราวตามมาอีกเป็นขบวนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้อดทนก่อนดีกว่าเพราะนั้นขันติคือความอดทนอดกลัน้นก็เป็นคุณธรรมที่ เราก็ต้องคอยสั่งสมให้มันมีกําลังแข็งแรงด้วยนะเราจะได้หยุดใจเป็นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ตรัสเอาไว้ว่าไอ้คุณธรรมที่เรียกว่าขันติเนี่ยเป็นคุณธรรมที่เป็นคุณธรรมที่ดีมากๆอันหนึ่งอย่างตอนที่ตรัสโอวาทปาติโมกอะแนวทางคำสอนที่ประกาศว่า อพอสมมาประชุมกันแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นเราก็ถือโอกาสได้แสดงหลักคําสอนแล้วก็ประกาศแนวทางว่าเราจะประกาศศาสนากันแนวนี้นะนอกจากสภาวะภาษาอักระนังที่ว่ากันไปเมื่อวันก่อ น, อนแล้วเนี่ยก็ต่อท้ายด้วยว่าขึ้นต้นด้วยว่าขั้นตีปรมังตโปตีติขานะ ก็คือขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นตะบะ ค, คือเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งยวดเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นี่คือความขัดเคืองใจโทสะจิตที่มันเกิดขึ้นมันก็จะโดนความอดทนอดกลั้นนแผดเผาให้ร้อนให้มันเหือดแห้งเข้ไปจับใจเพราะฉะนั้นพอเรามีขันติเกิดขึ้นได้คําพูด การกระทาของเรามันก็ไม่เป็นไปในอํานาจของกิเลสเราก็จะไม่เสียศีลนะว่ากันเถอะเราก็จะไม่ว่าใครไม่ทำร้ายใครรู้จักที่จะเก็บมันเอาไว้กักมันเอาไว้ไม่ให้มันล้นทะลักออกมาเป็นการกระทาเป็นคำพูดพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลือกที่จะปล่อยคำพูดการกระทาในฝ่ายที่ ถึงอาจจะยังไม่ได้ประกอบไปเมตตาก็จริงแต่มันก็จะเป็นในสิ่งที่ก็เรียกว่าสมควรแก่การแก้ปัญหาให้มันรู้ร่วงไปไม่ด่าเขาไม่ว่าเขาแต่เหตุคืออะไรผลคืออะไรก็มาแจกแจงกันเพราะฉะนั้นปัญหาที่มีมันก็ไม่ลุกลามบานปลายไปไม่ลุกลามบานปลายเพราะเราควบคุมสภาวะ จิตใจคืองานภายในของเราได้ดีงานภายนอกมันก็จึงแก้ปัญหาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ายิ่งแก้ยิ่งเสียยิ่งแก้ยิ่งเสียก็แก้ไปในตามแนวทางทิศทางที่มันควรจะเป็นไปเพราะนเวลาที่เราออกหรือเรากลับบ้านไปแล้วเราก็ต้องพยายามามีธรรมะให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตของเราชีวิตภายนอกกับชีวิตภายใน มันควรจะต้องกลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีธรรมะนอกจากจะเหมือนกับว่าเป็นโลกต่างหากใบหนึ่งที่จะต้องมานั่งสมาธิเดินจงกรมคอยเห็นใจแล้วก็คอยดูเออมันหลงไปไหนเผลอไปไหนอันนี้มันก็จะดูภาพแบบมันแยกแยกออกมาต่างหากจากชีวิตของดังแต่จริงๆแล้วพอกลับเข้าไปสู่สนามจริงสนามรบจริงแล้วเนี่ย เราก็ต้องเอาอันเนี้ยให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตของเราเพราะเรงไงเราก็ต้องมีตาไว้ดูหูไว้ฟังมีความคิดนึกปรุงแต่งแต่พอเราเอางานของจิตใจมาควบคู่มาจำกับกันแล้วเราก็จะได้คิดอะไรทำอะไรพูดอะไรเห็นใจกัาไปด้วยไงแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้เห็นใจพอมีสติคุ้มครองใจก็ขึ้นชื่อว่า งานภายนอกเราก็ทำแบบเก่างานภายในเราก็ได้ทำควบคู่กันไปด้วยเพราเราทำควบคู่กันไปจนชินจนมีความชำนาญเรื่องกวนใจมันก็จะลดลงเรื่องกวนใจที่มีมันก็ไม่หนักเท่าเก่ามันอาจจะเป็นรุนแรงแบบเก่านั่นแหละ แต่ด้วยศักยภาพที่เรามีที่มันเข้มแข็งขึ้นมันก็เหมือนจะลดลงไปความรุนแรงที่มันมันมีผลต่อจิตใจมันก็ไม่เท่ากัาเพาะปัก็พยายามทำนะกลับไปแล้วก็พยายามทาให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเรียกว่ามีมีธรรมำนำชีวิต ให้ทำเนี่ยคือธรรมะนี่แหละคอยเป็นตัวนำชีวิตเป็นทางเดินนำชีวิตของเราให้ชีวิตของเรามันเดินบนเส้นทางที่เาเรียกว่าอยู่ในกรอบของทางเดินที่ชื่อว่าอริยมรรคมีองแปดมีความเห็นที่มันถูกต้องเห็นว่าบาปมีบุญมี เห็นว่ามาอันนี้มันเป็นทุกข์นะอันนี้เหตุเกิดทุกขนะ์นะนี่คือความดับทุกข์นะนี่คือทางดันเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นะอันนี้เป็นต้นนะแปลว่าไปจบที่มีสัมมาสมาธิคือความสงบใจมีอารมณ์ใจที่มันตั้งมั่นอยู่ในองค์ของกุศลห่างไกลจากโลภะโทสะโมห oh ะ มีอารมณ์เป็นหนึ่งตั้งมั่นห่างไกลจากโลภะโทสะโมหะราาักคะมันก็จะอาจจะดูเหมือนแบบยุ่งยากเยอะแยะซับซ้อนแต่จริงๆมันก็พอทำไปแล้วมันก็เหลืออยู่แค่มีสติคอยรักษาใจนี่แหละเวลาเราประกอบการงานต่างๆหรือว่าดำเนินชีวิตไปนในแบบปกติเราก็แค่เพิ่ม การที่เรามีสติคอยเห็นใจคอยเห็นกายเราไปรักษาใจของเราแบบนี้แค่นี้เองมันก็ไม่ได้ดูซับซ้อนอะไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทุกคนที่ตั้งใจทำก็สามารถที่จะทำได้แน่นอน